บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแต่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนย่าแห่งกิตารุปสนาสติปฐานคือการตั้งสติตานมาลึกดูดจิตของตนในแต่ละขณะนั้นพระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงสภาพจิตเป็นคู่คู่ซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับคู่แรก ถจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเรามีราคะเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตของเราปราศจากราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเรามีโทสะเมื่อจิตมีไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโทสะเมื่อจิตมีโมฆะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเรามีโมฆะ เมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโมหะการตามดูจิตโดยในยาณนี้เพื่อสอนให้บุคคลได้รู้ถึงจิตตามความเป็นจริงทรงแบ่ ง, บงจิตออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นกุศลใจิตกับฝ่ายที่เป็นอกุศลในจิตในกรณีที่เป็นอกุศลคือประกอบด้วยค่าโทสะโมหะแม้จะ แปลรูปออกมาในลักษณะต่างๆบุคคลก็ต้องรู้ชัดถึงความจริงว่านี่เป็นอาการของโลภะของโทสะของโมหะก็กำหนดมองเห็นโดยความเป็นโทษคือสิ่งที่เป็นโทษจะต้องมองเห็นโดยความเป็นโทษว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษที่แท้จริงแล้วก็เพียรพยายามผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปมันเทาความรุนแรงลงโดยลาดับจนถึงสามารถส ง, งบ ตรงได้ในที่สุดในควายที่ทรงกันข้าคือปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโกระาในกรณีที่เป็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็กําหนดเอาไว้ว่านี่เป็นกุศลมีผลเป็นความสุขความสงบให้แก่จิตใจของตนเป็นจิตพร้อมที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นระนีดขึ้นสงบขึ้นโดยลาดับ ก็ทรงสอนให้ประคับประคองจิตของตนในขณะนั้นเอาไว้แต่เพราะความดิ้นรนกวัดแหวงห้ามยากรักษายากของจิตและจิตมักจกะตกไปในอารมณ์เป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจอารมณ์ที่เป็นสื่อของราคะโทสะโมคะดังนั้นจึงทรงสอนให้ประคับประคองจิตของตนในกรณีที่มีกุศลธรรมข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นว่าให้พยายามประคับประคองจิตเอาไว้ เหมือนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ํามันก้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจิตตกิดกลิ้งเกดิ้นเกิกระสอบกระส่ายในคราวหนึ่งแกก็ตั้งอยู่ในกุศลแต่ถ้าหากว่าไม่ประคับประคองเอาไว้แกก็หักกลับไปทางอากุศลซึ่งเป็นช่องทางเป็นโอกาสที่ไปได้ง่ายเนื่องจากไม่ต้องทวนกระแสะอะไรในการที่จิตจะดํารงอยู่ในกุศลนั้น เป็นการทวนกระแสขึ้นมาถ้าว่าไม่มั่นคงจริงๆแล้วก็จะตั้งอยู่ไม่ได้นั่นดังนั้นจึงทรงสอนให้ประคับประคองอย่างทนุถนอมจิตในขณะนั้นเหมือนการระมัดระวังไม่ให้น้ำมันซึ่งมีอยู่เต็มบาทแล้วก็หกไปจากบาทการเดินหรือการดืนประคองน้ำมันในลักษณะนั้นก็มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า สติของบุคคลจะเกิดเผอรเรอลงลืมพลังพลาดแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ไม่ได้สัมรรจั ญ, ญญาเองก็ต้องมีความรู้อยู่ตลอดแล้วก็มีความเพียรพยายามอย่างตั้งใจจริงๆเพื่อจะประคับประคองบาตรเหล่านั้นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ชั้นใดใจที่ขึ้นสู่กุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามก็ทรงสอนให้บุคคลประคับประคองจิตไว้ในลักษณะอย่างนั้น ในข้อต่อไปนั้นจงสอนว่าเมื่อจิตหดถูก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตของเราหดถูเมื่อจิตไม่หดถูกรู้ว่าก็รู้ชัดว่าขณะนี้จิตเราไม่หดถูทรงใช้คาเน้นลงไปเลยว่าต้องรู้ชัดทำไมจึงต้องรู้ชัดเพราะการหดถูทางจิตนั้นมีความหลากหลายเช่นเดียวกับอาการของราคาโทสะโมหะดังกล่าวแล้วถาก็รู้ไม่ชัดเจน กว่าจะวินิจฉัยจิตในแต่ละขณะไม่ได้ลักษณะความหดหูทางจิตนั้นปรากฏตัวออกมาด้วยอาการต่างๆเช่นอาการซึ่งซึมง้อยเงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดหู่เครืบอเคริ่ อ, อตลอดถึงซึมเศร้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาแล้วจะกลารรอนจิตใจของบุคคลให้สยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้น เช่นอาการหงอยเหงาต่างๆก็จะกัดกร่อนจิตใจของบุคคลในเบื้องต้นแในที่สุดก็จะมีอิทธิพลครอบงำกายครอบงาวาจาทำให้บุคคลเหล่านั้นอาจจะแยกตัวเองออกไปนั่งซึมเศร้าอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมยอมพูดยอมจากระ บ, บุคคลอื่นไม่พร้อมที่จะทำการงานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆบางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของอาการมือลอย คิดไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์เหล่านี้ถ้าหากว่าปล่อยไว้ให้นานภายในจิตใจก็มีอาการหมักหมมมากขึ้นมีความซึมเศร้ามากขึ้นจนถึงกับขดผู่ใจหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอาการเซงทางใจอาการเหล่านี้แ ท, ท้จริงแล้วก็คือนิวนข้อที่เรียกว่าจินมิธะนั่นเองแต่ก็ เมื่อทรเมื่อนำมาแสดงในสายของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นการสะท้อนอาการของโมหะที่แปลงรูปออกมาในลักษณะหนึ่งคือการหดถูทางใจการหดถูทางใจนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะงอยเงาซึมเศร้าหรือหดถูหรือเศร้าซึมอะไรก็ตามตลอดึนการเสง ทุกคนจะต้องดูจิตของตนในขณะนั้นให้ชัดเจนแต่ปัญหาที่น่าสน่าค่วงใยอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าตามปกติแล้วคนเราไม่ค่อยยอมเผชิญหน้าความจริงเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมให้คนอื่นรับรู้อาจจะต้องการปกปิดหรือเพราะเพราะความมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะละอายก็ตาม ก้นี้พึงสังเกตพฤติกรรมโดยทั่วๆไปของคนเป็นคนที่มีปัญหาในทางใจเพืออาจจะตกเป็นทาสของสิ่งเสียดติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะพยายามเก็บปัญหาเหล่านั้นเอาไว้แต่ลําพังไม่ยอมบอกกล่าวแม้แต่ผู้ที่เป็นมารดาบิดาของตนหรือผู้ที่เป็นมิตรเป็นสหายของตนอาจจะเป็นเพราะความกลัวความขาดความไม่แน่ใจหรือกลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะ กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อตนเป็นความเสื่อมเสียแก่ตนและในที่สุดก็พยายามคิดในเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวเองต่คิดไปคิดมาก็หาทางไม่ออกปริมาณของความรู้สึกเหล่านั้นก็เพิ่มมากขึ้นภายในจิตของตนก็แสดงออกมาในลักษณะอาการดังกล่าวแล้วพ่วถึงจุดหนึ่งจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับบุญศลหรือความดีทั้งหลาย ใกล้ๆกับคนที่มีปัญหามากพอถึงจุดหนึ่งแกจะไม่ยอมรับฟังเหตุผลอะไรจากใครและพยายามหลีกเลี่ยงการได้ยินได้ฟังข้อชีแ้แนะข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้หวังดีทั้งหลายนี่แสดงเห็นว่าภายในจิตใ จ, จนั้นได้เก็บกดเรื่องเหล่านี้ไว้มากจนออกมาเป็นพฤติกรรมคือปรากฏต่อสายตาของบุคคลอื่นแล้วอาการเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นมากๆ แม้จะไม่ปรากฏออกมาทางอาการกายหรือวาจาของบุคคลแต่จะมีความรู้สึกไม่ชื่นชมยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายทำให้บุคคลไม่ยอมขึ้นไหวเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นกุศล ต, ต่างๆแม้ว่าจะอยู่ใกล้สิ่งเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างสมนวนที่เราพูดกันว่าใกล้เกลกินด่างคือไม่ยอมรับความดีที่ใกล้ชิดตัว และในที่สุดก็จะดึงจิตของตนให้เขินห่างจากกุศลธรรมออกไปจนกลายเป็นอาการเซิงหรือว่าเย็นชาต่อความดีทั้งหลายมีการให้ทานคนอื่นก็ให้ทานถ้าออกมาซ้ายอื่นจะออกมาในรูปยินดีหรือริษยาแล้วแต่พื้นฐานจิตแต่กว่ามีพื้นทางกุศลธรรมอยู่ก็จะเกิดความชื่นชมยินดีในการมาเป็นฐานของคนอื่น แต่ถ้าหากว่าพื้นจิตมากหรือทิสยาก็จะมีความรู้สึกริสยาในการทําความดีของบุคคลเหล่านั้นแต่กา ร, รากระตุ้ทางจิตจะไม่ออกไปทั้งสองทางแต่จะออกมาในรูปของความชาเย็นหรือเย็นชาไม่ยอมรับรู้ต่อความดีเหล่านั้นบางครัง้งบางคราวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดูในวิสัยที่ตัวเองจะเอื้อมมือเข้าไปช่วยหรือได้แต่พระจิตเก็บหมักหมมเรื่องเหล่านี้ไว้มากก็ขอให้เกิดความกระด้าง แล้วก็กลายเป็นความเย็นชาทางใจกังกล่าวแล้วก็ไม่ยอมเอื้อมมือเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นจะพราะหน้าจะตามปกติคนเราที่มีน้ําใจคือใจไม่แห้งแสดงถึงความมีน้ําใจอยู่เวลามีกิจกรรมอะไรซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตนจะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นหรือช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นกุศลเหล่านั้นได้ก็รพร้อมที่จะช่วยเหลือมีคนยกของมาหนัก เห็นว่าตนพอจะช่วยได้ก็ไปแบ่งเบาภาระให้เขาหรือแม้แต่รถติดหรือรถตายอะไรต่ออะไรคนเข็นกันไม่ไหวเราก็เดินโยนอยู่ก็พอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าใจที่ถูกกัดกร่อนด้วยความรู้สึกเหล่านี้มากมันจะมีความแห้งผากอยู่ภายในใจมีความจืดชืดทางอารมณ์ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพราะกุศลและธรรมทั้งหลายไม่ว่าในชั้นทานชั้นศีลท่านมันเป็นความดี จะเหลือขวนขวาในกิจการงานที่ชอบเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นกุศลหรือแม่แตชอวยพลอยชืย่นชมยินดีในการกระทําความดีของบุคคลอื่นก็จะไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นดังนั้นลักษณะเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาทางใจที่ถ้าปล่อยไว้เน่นนานไปก็จะกลายเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่ก่อเกิดการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประกอบกิจาการงานในการบำเป็นความดีทั้งหลายเพราะความหนักอึ้งทางใจของตนที่เก็บกดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้มากดังนั้นในกรณีนี้ก็ต้องมองให้เห็นว่าเป็นโทษซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำคู่กันว่ามองให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษมองให้เห็นคุณโดยความเป็นคุณทำไมจึงต้องใช้คู่กันเพราะว่าตามปกติแล้วสิ่งที่เป็นโทษ ระหางความดีความชั่วความถูกความผิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์หรือกุศลอกุศลบาปปุลนั้นคนก็พอแยกกันได้เรียกว่ามองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษได้แต่ไม่มองเห็นโดยความเป็นโทษโดยสภาวะที่เป็นโทษถ้าว่าตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโทษเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแก่ตนด้วยถ้าไม่ถึงจุดนี้การเพียรพยายามที่จะละเว้นปล่อยวางาบรรเทาความรุนแรงของสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงทรงสอนให้เห็นว่าเป็นโทษและมองให้เห็นโดยความเป็นโทษจริงๆเข้าถึงใจของตนจริงๆเมื่อตทษเหล่านั้นไปจักแก่ใจก็จะเพียงพยายามขาจัดความรู้สึกเหล่านั้นให้ออกไปเพื่อให้ใจอยู่ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับความผดผูกนั้นก็คือความไม่ผดผูได้แก่ความกล้าหาญอาจฐานรื่นเรืองบันเทิงใจมีความกระปรี้กระเป่ามีความกระกเจิเงขึ้นมาทางใจมีความกระตือรือร้นยินดีในกุศลในธรรมทั้งหลายเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟัง กิจกรรมที่เป็นกุศลก็เกิดความชื่นชมโศมณะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นในกรณีที่ไม่อยู่ในวิสัยซึ่งตนจะทําได้จนวเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นในที่อื่นซึ่งไกลจากที่อยู่ของตัวเองก็พลอยมุติตาจิตพลอยอนโมทนาในความดีงามเหล่านั้นนี่ก็คือสภาพจิตจิตตรงกันข้ามเป็นลักษณะตื่นตัวขึ้นพาง จ, จิตใจเป็นความกระปรีกก้กระเปื่าวความกระฉับกระเฉงพังใจ ตารมาจิใจอาจผันดุ่นเริงบันเทิงขึ้นมาในกุศลธรรมต่างๆเป็นการพลิกกลับใจอีกด้านหนึ่งขึ้นมาจึงแน่นอนว่าเมื่อจิตตกจูในสภาพดังกล่าวแต่หากว่าบุคคลยังไม่มองเห็นว่าเป็นโทษหรือมองเห็นด้วยความเป็นโทษแล้วก็พยายามละบันเทาไปใจก็จะถูกอารมณ์เหล่านี้กัดกร่อนอยู่นั้นอารมณ์ในลนนักษณะนี้ลองสังเกตก็จะพบว่าถ้ามองเป็นรูปธรรมคล้ายๆกับ คุณตะกรอนต่างๆที่ถูกน้ำพัดมาน้ำก็ไม่ไหลแรงเกินไปในที่สุดตะกรอนก็เริ่มม้วนตัวแล้วค่อยๆตกอยู่ตรงนั้นเองมีการหมักหมมมีการสะสมอยู่นานไม่ค่อยขยับค่ยื่นไปในที่อื่นซึ่งผิดต่อความรู้สึกในราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะในราคะโทสะโมหะจะเป็นพุ่งในแนวดิ่งออกไปเลยกจะคืบคลานไปเรื่อยอย่างในกรณีของราคะกจะคืบคลานไปเรื่อยๆขวยคว้าไปเรื่อยไม่หยุด ในกรนีของโทรศัพท์ก็มุ่งล้างผลาญทำลายล้างไปเรื่อยแต่กิเลสกลุ่มนี้เช่นเดียวกับโมหะคือจะหมุนตัวอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ในที่สุดก็จะตกตะกอนและในที่สุดกระทับถมหมักหมมอยุดนานมีการกัดกร่อนจิตใจยอย่างรุนแรงเพราะนั้นโอกาสที่จะขจัดแก่ออกไปได้จึงทําได้ยากเพราะไร้เพราะโมหะโดยพื้นฐานแล้วมีโทษมากด้วยและคราชาติด้วย เมื่อปลอยให้แก่เกิดขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะขจัดแก่ออกไปก็ขจัดออกไปยากดังนั้นจะสังเกตได้ว่าบุคคลที่มีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นจะซึมเศร้าอยู่ในที่นั้นอาจจะอยู่ในรยาบทนอนอาจจะนอนมมอลอยมือกายหน้าผักหรือกับทิ่กลับไปกลับมาในที่นั้นไม่ยอมลุกจากที่นั้นียาบทจะซ้ำซซกา ก, ากอยู่ในียาบทหนึ่ง อาจจะนั่งเอามือยันคางเอาไว้ได้เป็นชั่วช่วโมงหรืออาจจะยืนมือลอยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้เป็นชั่วชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงคืออิทบทจะติดอยู่ในจุดหนึ่งนั้น่ะอยู่ใดจุดหนึ่งนานๆผิดกับอาการของราคาโตสะซึ่งแกจะไปเร็วแกเคลื่อนไหวได้เร็วและในที่สุดก็จะกลายเป็นบุคคลน่ากลัวก็จะปลีกตัวเองออกไปคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะไม่เข้าใจว่าแกคิดอย่างไงแกจะทำอย่างไงต่อไปก็จะเป็นอย่างไน นั่นก็คือลักษณะของจิตที่หดถู่เวลาแกมีปริมาณสูงขึ้นจึงเป็นภาพที่น่าขวผงใหญ่สำหรับบุคคลทั้งหลายแล้วก็ที่ทรงแสดงไว้ในจิตตาอุปสรรคสติปัฏฐานนั้นมุ่งที่จะให้วิเคราะห์เฉพาะจิตตัวเองให้ได้ก่อนคือโดยจิตตัวเองให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องรีบพี้คายขยายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปด้วยอาศัยอะไรด้วยอาศัยการเคลื่อนไหว ในทางกายในทางความคิดให้จับปล่ยมากยิ่งขึ้นเะว่าการใช้อิรยาบถจะต้องมีความคล่องแคล่วมากขึ้นหรือไม่นั่งแช่ในที่นั่งยืนแช่ในที่นอนหรือว่านอนแช่ในที่นอนยืนแช่ในที่ยืนแต่จะมีความเคลื่อนไหวสูงยิ่งขึ้นแล้วในการรับประทานอาหารซึ่งมีส่วนมีส่วนให้ความซึมเศร้านั้นเพิ่มขึ้นถ้าหากว่ารับประทานมากเกินไป แล้วก็สอนให้สังเกตการรับประทานอาหารจะสังเกตว่าอาหารที่รับประทานไปมีประมาณเท่านี้พ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้แล้วก็หยุดการรับประทานที่เพียงนั้นเพราะถ้าปร่อยอิ่มมากเกินไปก็จะเข้าไปสู่ครองขอ ง, ของทีน้มิถะเต็มรูปคือว่างเหงาหาวนอนแล้วก็นอนหลับไปเลยจะทากิจการงานอะไรก็ตามก็จะทำไม่ได้เต็มที่ พจิตในลักษณะนั้นเรียกว่าเป็นจิตจิตซึ่งตกเป็นธาตของอารมณ์สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระในตัวเองและในขณะเดียวกันก็สถานที่นั่งที่อยู่ท่านสอนให้ไม่ให้นั่งหรืออยู่ในที่อากาศซึ่งชวนให้ซึมเศร้าหรือชวนให้งอยเงามีลักษณะว่าเวดเดียวดายรู้สึกว่าโดดเดี่ยวตัวเอง จะต้องพยายามเกี่ยวข้องควบหาสมาคมกับท่านที่สามารถชี้แจงแนะนําปัญหาต่างๆได้ลักษณะอย่างหนึ่งที่กล่าวมาสำหรับบุคคลประเภทนี้ก็คือไม่ยอมพูดไม่ยอมแสดงอะไรออกมาแล้วพยายามกแก้ปัญหาด้วยตัวเองในที่สุดมันเหมือนกับคนไปติดอยู่ในห้องที่ถูกกักขังคือจะออกไปทางทิศไหนก็ไม่ก็ได้แล้วก็นั่งซึมเศร้าทอดอะไรตาอยากอยู่ในที่นั่นเอง แต่ถ้าว่าบุคคลได้เกี่ยวข้องกับท่านที่เป็นผู้ใหญ่มีความรอบรู้มีความชนิชำนาญในเรื่องเหล่านี้ท่านเหล่านั้นก็จะชี้แจงแนะนำให้เกิดความเข้าใจการแก้ปัญหาวัจจยนั้นในสมัยพุทธกาลพระเถระที่มีวุนิสายบา ร, รมีจะบรรลุอรหัตโดยซ้ำไปแต่เวลาท่านมีปัญหาอะไรแม้แต่เพียงความคิดซึ่งเกิดขึ้น แล้วก็ให้เกิดการชะงักงานคือเดินหน้าไม่ได้ท่านจะไม่ปล่อยไว้ให้ทั้งข้างอยู่ภายในใจจะเข้าหาพระผู้ใหญ่ขา้าพรเจ้าเป็นต้นตามสมควรแกร่กรณีเพื่อระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาให้ท่านรับทราบเอาไว้ท่านจะได้ช่วยแก้ไขเมื่อแก้ไขก็เหมือนกับคล้ายๆการเราติดอยู่ในห้องแล้วในที่สุดก็หาทางออกเจอแล้วก็ออกไปได้ความรู้สึกปรงเบาความรู้สึกเป็นอิสระก็จะบังเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นการใชอริยาบทต่าง ๆ, างๆดังที่กล่าวมาแล้วคือไม่อยู่ในอริยาบทใดอริยาบทหนึ่งมากเกินไปดังนั้นในกรณีของการปฏิบัติกรรมาฐานเองจะพบว่าเอาก็จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอริยาบทนั่งอริยาบทเดียวแต่ให้ใช้ทุกอริยาบทอย่างในอริยาประทะปปะพระที่พูดมาแล้ว ก็ทรงสอนให้มีสติระลึกรู้ทั น, นอิรยาบททั้ง4ี่คือยืนเดินนั่งนอนซึ่งเป็นอิรยาบทใหญ่หมายความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นพร้อมที่จะเป็นกรรมฐานได้ทันทีและจิตจะเป็นไปได้เร็วมากขึ้นถ้าหากว่าระลึกทันทุกความเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นในร่างกายของตนจะคู่แขนจะเหยียดแขนจะจีบของจะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสือจะรับประทานอาหารหจะดื่มจะริมจะทําอะไรก็ตามมีสติระลึกทันอยู่ความกระจับกระเฉงความว่องไวทางจิตก็จะบังเกิดขึ้น ทำให้อาการซึมเศร้าเหล่านั้นก็ค่อยหายไปค่อยจางไปโดยดังดะแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เด้งนัดนักก็ไม่ค่ะได้คือเป็นเรื่องที่จะต้องค่อยทําค่อยไปเพราะบางครั้งมีอาการหมักผมสะสมไว้มากเกินไปแต่วิธีทั้งหมดนั้นก็กลายเป็นวิธีที่จะแก้ไขลักษณะซึมเศร้าเหล่านั้นให้ออกไปเมื่อเข้าไปร่วม บอาสมาคมกับท่านที่มีความรู้เป็นนักประเป็นบัณฑิตสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ตนได้ลักษณะดังกล่าวก็จะผ่อนคลายลงการไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่ยอมรับกุศลคือความกระด้างทางจิตก็ค่อยๆจางไปเพราะธรรมะมีลักษณะขัดเกลาดังกล่าวแล้วธรรมะนั้นเป็นสัญเลกาธรรมคือขัดเกลาม่อมีการสนทนากันบ่อยๆเข้ามากเข้า ซึงอาจจะผ่านการเวลานานประสมควรแต่ทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็มีการเก็บสะสมไว้ภายในใจรอการเพิ่มพูนขึ้นของกุศลธรรมเหล่านั้นเมื่อกุศลธรรมเหล่านั้นมีความเพิ่มพูนมา ก, กิ่งขึ้นก็รับการสะสมไว้บปอยๆกายจะค่อยๆทําหน้าที่สลายไอสิ่งดังกล่าวแล้วให้เจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจอาการกระด้างก็จะออดลง ความจุดชื่อความเย็นชาหรือความชาเย็นความแห้งภายในใจก็จะค่อยผ่อนคลายลงนั้นก็สมายความว่าแสงแห่งกุศลธรรมก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นจะต้องรู้ทุกขณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อสติยังเป็นไปในชาอยู่ระลึกไม่ทันในแต่ละวันก็พิจารณาทบทวนว่าอารมณ์อะไร ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอาการซึมเศร้าดังกล่าวบ้า ง, างเกิดอาการหดถูในโอกาสต่อไปก็รีบพยายามไตัดอารมณ์เ่านั้นออกไปพระนารวจใจในเรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกับเดือนเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลหรือเสื้อผ้าที่ใช้สอยผ้าจานะต่างๆที่ใช้สอยนั่นเองเมื่อมีสิ่งอะไรมาแปดเปื้อนสกปรกก็มีการขัดถูออกไปสม่าเสมอ ปัจจะณะเหล่านั้นที่อยู่เหล่านั้นเสื้อผ้าเหล่านั้นก็พร้อมที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลได้ตลอดไปจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการสอนใหนระลึกรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงไม่ได้มีส่วนเกื้อกูลเฉพาะกรรมาฐานเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นการเกื้อกูลแก่การดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายในแต่ละวันเป็นธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยดังนั้นสิ่งที่ สำคัญอีกสองประการซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ก็คือว่าคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าหาสมาคมนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นการยาณมิตรคือมีจิตคิดอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันมีความรักใคร่มุ่งดีปรารถนาดีต่อกันชี้แจงชักชวนเชิญช ว, นชวนแนะนำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มีปัญหาก็ช่วยแกจัดปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้ และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ก็ได้คนเหล่านั้นเป็นมิตรเป็นสหายร่วมหลักความคิดร่วมกิ จ, จกรรมกันแล้วแม้จะมีอาการกัดกร่อนทางใจจนใจหดถูกก็แก้ในทางตรงกันข้ามได้คือมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้แต่บางครั้งบางคราวผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ปัญห า, นานด้วยตัวเองได้โดยสายบทเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้น อรนี้จะเห็นได้ว่าคนบางคนที่มีปัญหาเหล่านั้นแม้คนอื่นจะไม่แก้ให้ท่านก็ช่วยตัวของท่านได้อย่างท่านเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งมีปัญหาที่กัดกร่อนใจเหล่านี้มากในสุดก็เป็นอาการซึมเศร้าทอดอะไรตายอยากในชีวิตคล้ๆก็เป็นคนหมดหวงังรู้สึกกระโดดเดียวตัวเองตัวเองถูกทอดทิ้ง แต่ในคราวหนึ่งท่านเห็นโคติดหล่มแล้วก็ดึงตนเองขึ้นมาจากหล่มได้เป็นบทเรียนเท่านั้นเองท่านก็เกิดขึ้นสู้ขึ้นมาว่าแม้แต่สัตว์ใดฉันที่ตกลงไปในหล่มแล้ว mm. ก็ช่วยตัวเองให้ประสบความสวัสดีได้นักปราชญ์อะไรกันเราซึ่งเป็นคนมีสติปัญญา ม, มีมือวัยวะมือเท้าอย่างสมบูรณ์อยู่จะแก้ไขปัญหาหแก่ตัวเองไม่ได้ และการปฏิบัติในด้านกรรมฐานจึงเป็นการแก้ปัญหาให้แก่ใจตัวเองมากกว่าที่จะอิงอาศัยบุคคลอื่นเพราะเป็นปัญหาที่เรารู้เราก่อนคนอื่นต า, าก็าแก้ได้ก่อนก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคนอื่นแต่ถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นอีกประการหนึ่งการเกี่ยวข้องสนทนาประสัยกันในชีวิตประจวันนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่มีลักษณะก่อให้เกิดการซึมรับต่งตางๆ เพราะถอยหดโหดใจเกิดขึ้นภายในใจพูดไปแล้วฟังไปแล้วมีแต่การซึมซาต่างๆก็ไม่ควรจะนำมาพูดจาสนทนากันดังนั้นการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวันที่เกื้อกูลต่อกรรมฐานนั้นท่านใช้คาว่าส ป, ปายากาักถาคือการสนทนาการเฉพาะเรื่องที่ชวนให้เกิดการอาจฐานรื่นเรบันเทิงใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น มีความมุกมานะพยายามที่จะก้าวเดินไปให้ได้ในเมื่อคนอืน่นคนอื่นก็ทําได้แต่นั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าก่อให้เกิดความเพลิดเพลินก่อให้เกิดความอาถรรพ์รื่นเริงบันเทิงใจในกุศลนิธรรมทั้งหลายส่วนจะมีวิธียกัก ย, ย้ายเปลี่ยนแปลงการแสดงไปยังไงนั้นขึ้นอยู่กับพื้นเพรื่อใจสายของคนแต่ก็มุ่งผลไปในด้านนี้เพื่ออะไรเพื่อแก้อาการ ระดนของจิตใจเพื่อแก้อาการเย็นชาทางใจที่ไม่ยินดีนในกุศลธรรมของบุคคลทั้งหลายทาั้งน้ลักษณะเหล่านี้ก็คือาอาการหดหูทางใจที่แปลงรูปออกมาในลักษณะต่างๆคือจะมีเศร้ามากหรือเศร้าน้อยจนถึงเศร้าในลักษณะที่ลึกจริงๆบางครั้งบางคราวก็เป็นอาการทางจิตที่มีปัญหาจะต้องเยียวยารักษากันเป็นการใหญ่ แต่ถ้าไม่ปล่อยไว้ให้ค้างๆอยู่ภายในใจแล้วก็แก้ได้มองดูใจในแต่ละขณะว่าเป็นยังไงถ้าตกอยู่ในชั้นนี้ไม่ว่าจะแปลงรูปออกมาอย่างไรก็ตามรุนแรงหนักเบาอย่างไรก็ให้มองเห็นเป็นโทษแล้วก็เพียรพยายามบรรเทาละวางออกไปในกรณีที่จิตใจเกิดความอาถรรพ์รุนแรบันเทิงมีความเชื่อมั่นมีภาษาทะคือความเลื่อมใสขึ้นภายในจิตซึ่งอาการตรงกันข้ามกับความโมโธทางจิตก็เพียรประครับประคองรักษาไว้ด้วยวิธีการอย่างนี้ ทำให้บุคคลสามารถเพิ่มภูนิคุดมกนได้บรนเทากระแสะแห่งอากุศลตรอดถึงความารุนแรงต่างๆแห่งอากุศลออกไปจา ก, ก จ, จิตใจของตนได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป